พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สี่กุมภาพันธ์2560ามีชื่อเรื่องว่าปรารถนาให้ในทางดีหนังสือคงจะแจกกันหมดลวมั้งเนาะเอาไปอ่านนะกหนังสือนะลูกหลานนะคณาสัต ย, ยาดโยมนะหนังสือเล่มนี้ รู้สึกว่าผู้ที่พิมพ์ก็จัดคัดสรรเลือกแล้วเลือกอีกเอามาแล้วก็นังสือตัวหนังสือตัวใหญ่อีกต่างหากสําหรับเหมาะเหมาะสำหรับผู้ที่สูงวัยผู้สูงอายุในอ่านแล้วก็ทบทวนอัลไซเมอร์ของตัวเ อ, เองอีกต่างหากนะถ้าหากว่าเราไม่อ่านหนังสือนะ่ะไม่ดีนะผู้สูงอายุอยากร้อยอ่านหนังสือวันละ30นาที พอเราอ่านแล้วเราก็จะได้ทบทวนว่าเราอ่านเรื่องอะไรนะเพื่อเป็นอัไซเมอร์แต่ถ้าว่าเราไม่ทบทวนผลี่สุดความจําของเราก็เรือนลางไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะนั้นการอ่านหนังสือเป็นการออกกำลังของสมองการวิ่งการออกกำลังกายอันนั้นเป็น ก, การออกกำลังกายทางร่างกาย แต่จะออกกําลังทางร่างกายแต่สมองไม่ได้ออกกําลังะเลื่อยเ ป, ยปเื่อยไปเรื่อยไม่ดีนะวันนี้พวกเราอ่านพยายามอ่านพออ่านเสร็จแล้วก็อืมพับไฟซะก่อนแล้วก็ลั่งหลับตาคิดเออเราอ่านเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยทบทวนความจําเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยพ อ, อทบทวนได้แล้วก็ยังเป็มั่นใจเอากลับมาอ่านอีกพอมาอ่านอีกก็นั่งทบทวนดู มันจำได้กระท่อนกระแท่งก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่ว่าอ่านไปแล้วแล้วไปเลยแสดงว่าเราเนี่ยอ่านใจเมื่อจะเข้ามาเจอแล้วนะเนี่ยต่อไปเนี่ยออพอกินข้าวอีกใหม่ๆแล้วก็ถามลูกถามหลานอะไรเธอเองกูยังไม่ได้กินข้าวนัดสูเขจะไหวอ เ, เอยผลที่สุดลูกหลานเขาเนี่ยยินแต่หลวงปู่จามหลวงอาของหลวงพ่อบอกว่า อ, อทางเชียงใหม่พุเทเถ่าภูแก่ เอาให้กินแล้วก็ยังไม่ได้กินให้กินแล้วก็ยังไม่ได้กินเพราะอะไรพอมันลืมใช่ไหมล่ะผลแก่เน่ยมันอันเซเมอร์ผลฉลวเขาก็เลยเอาปลาจมมันเหมือนกับปลาร้าเนี่ยน้ำปลาร้าเนี่ยทามือเอาไว้เหมือนกันพอเสร็จแล้วกูยังไม่ได้กินข้าวนั่งสูนเอาไม่ได้กินยังไงดมมือเลยใช่ไหมพอดมมือถูกกินผูกกินปลาจมใช่ไหมถูกกินปลาร้าเออใช่กูกินแล้วนั่สูนเออ เพราะนั้นต่อไปถ้าคนถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์นะลูกหลานเลี้ยงไม่ยากหรอกทีนี้เอาเอาปะลาล้าน้ําปะลาล้านทามือไว้น้ําปลาทามือไว้เลยแหละแปลว่าได้กินข้าวแล้วงั้นเถอะเนี่ยละพวกเรานะต้องเตรียมไว้นะเพราะเราจะแก่ไปข้างหน้าอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเตรียมไว้เหมือนกันนะ เ, เดี๋ยวเนี่ก็เจ็ดสิบสองปีเต็มเนี่ยนะ่ะลูกหลานนะอวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนี่ยนะ 22ปีเต็มนะเนี่ยละความจําของหลวงพ่อน่ยจะเป็นยังไงตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยความความจำหลงหลงลืมลมีนะหลวงพ่อเห็นญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยพออายุ870กว่าปี80กว่าปีแล้วหลงหลืมลืมแต่หลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกิกลัวกลัวเหมือนกันนะกลัวจะไปไปตามสายญาติเพราะหลวงพ่ออายุยืนทุกคน ลกนะูกหลานนให้ออ่านอ่า น, อานเอาไปอ่านหนังสือแล้วเนียวันนี้เป็นวันที่สี่วันเสาร์ที่สี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระเอ่อนแปดค่ำเดือนสวันพระหน้าเือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นวันสําคัญยิ่งในวัดของเราด้วยนะขณะาธาญาติโยมโลูกหลานหลวงพ่อประกาศแล้วประกาศอีกอในช่วงก่อนนะแต่หลวงพ่อก็จะพยายามบอกอในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะแต่วันนี้อีกเจ็ดวันเท่านั้นอนะ่ะเป็นวันทําบุญรวมญาติของพวกเราคําว่ารวมญาติคํานี้ก็คือหลวงพ่อเคยประกาศมาแล้วว่าอ วัดของเราปีหนึ่งปีหนึ่งน่าจะมีครั้งหนึ่งโลอกเราก็ทำมาทุกปีแล้วนะที่นี่เพื่อทำบุญรวมญาติวัดของเราที่เป็นอยู่เป็นมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่ากำลังทรัพย์กำลังศรัทธาญาติโยมกำลังความคิดหลายๆคนที่มาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันออกทุน จนเป็นรูปร่างเป็นวัดป่านาคำน้อยขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพักผาใสามาปฏิบัติธรรมมาบาเพ็ญกุศลด้วยความสะดวกสบาย เ, าเราก็ไม่ได้ทำแต่คนอื่นเขาทำไว้ก่อนแล้วแต่คนอื่นเหล่านั้นามาทำก่อนพวกเราได้ล้มหายตายจากไปก็หลายคนล้มล้มหายตายจากไปด้วยอายุสังขารเาพราะก่อนที่จะมาทำ ที่นี่ท่านก็ได้เขาเหล่านั้นก็อายุมากแล้วเ่าก็มาทําบุญมาสร้างบุญมาทําบุญจากนั้นท่านก็ร้องรอยไปตามอายุสังขารในเมื่อร้องรอยไปพวกเราที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของท่านไปอยู่ท่าสถานที่ใดทินใดเพราะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลังก็พร้อมกันก็ปีหนึ่งปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดท่าดวงวิญญาณท่านผู้ใดที่มาร่วมสร้างวัดป่ปานาคำน้อยที่ล่วงล้มหายตายจากไปถ้าหาว่าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นด้วยเถิดในปีหนึ่งพวกเราจะมีการทําบุญรวมญาติครั้งหนึ่งเพราะนั้นวันที่11นะวันที่11กุมภาพันธ์ ตรงกับวันมาฆบูชาหลวงพ่อก็จะนิมนต์พระสงฆ์กรบายจาร์ในเครือข่ายในสายแล้วก็เห็นว่าองค์ไหนพอจะว่างกข็ขอในิมนต์มาร่วม เ, เราพวกเราจะได้ทําบุญเป็นการอุทิศส่วนกุศลแต่พระในวัดของเราก็นะ่ะสอมี่องค์อยู่แล้วนะแล้วก็นิมนต์กรูบายจาร์ทางอื่นมาอเอกเพื่อเป็นการสร้างบุ พราะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินหลวงพ่อไปเนี่ยแต่หลวงพ่อครูบาท่านหมอกปีนี้ยังโรงทานยังน้อยอยู่นะที่หลวงพ่อได้ยินถ้าหท่านผู้ใดอยามาตั้งโรงทานมาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงครูบ า, าอาจารย์ก็มาเอาลงมาได้เพราะหลวงครูบาเขาจะได้จัดล็กอกจัดล็อกจัดจัดเต็นเห็นไหมเต็นเขาก็กางไว้แล้วเนี่ยเป๊ปแบบเขามากางไว้ก่อนแล้ว มากลางเมื่อวานเหมือนก่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหจะมีงานอะไรนี่แหละจะทําบุญรวมญาติวันที่สิอดกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ันห้ยมีวันเดียวครั้งเดียวในวัดของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพวกที่จะมาทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มารวมรวมกันประกาศให้ทั่วถึงกัน จากนั้นก็ในถวายจะตุปัจจัยพระสงฆ์ที่มาร่วมงานการทำบุญอย่างนี้เป็นยังไงเป็นมีประเพณีมาไหมองหลวงตาพาดำเนินมานั้นลุกลานนะวัดป่าบ้านตาดก็มีครั้งหนึ่งที่ทำบุญเปิดโลกกระฐานทำบุญเปิดโลกกระฐาของหลวงตาก็คือท่านทาบุญยกประเด็นโยมแม่ของท่านเป็นหลักนะ คือโยมแม่ท่านล่วงรับดับขันในวันนั้นท่านก็เลยทําบุญให้โยมแม่ของท่านแต่ท่านพร้อมพร้อมกันท่านก็ประกาศว่าเออเอาต่อ น, นี้ไปทําบุญเปิดโลกธาตุยกประเด็นโยมแม่ของท่านเป็นประเด็นหลักและก็ทาบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับทกฟิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้อันนี้ก็คือล่งตาพาดําเนินก็ในหลักของพุทธศาสนาพอพระพุทธเจา้าท่านก็ตรัสไว้ว่า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 ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่จะส่งไต่ไปชนีส่งบุญส่งกุศลไปให้ถาวรท่านไปอยู่ณพกภูมิใดโดยมากจะเป็นพกเปรตอสุรกายเปรตเตวีใสที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถาวรท่านไปไปเกิดไปตกนรกไปเป็นสัตว์ที่รชานาไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมท่านก็มาได้รับนะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็มาได้รับ แต่ว่าเป็ดเปรยเลร่อนอยู่อนส่วนนั้นแน่นอนจะต้องได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละอันนี้ก็ความเป็นมาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วก็พร้อมกันพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่กรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเป็นวัดแรกจากนั้นท่านก็เลยทาบุญแต่ท่านก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ใดพอทําบุญเสร็จแล้วก็คือเสร็จไป แต่ใ้พวกเปรแต่ญาติก็กมาทวงถามพระเจ้าพิมพ์พิสารว่าทําไมพระ อ, องค์จึงไม่อุทิศส่วนกุศลไม่ส่งบุญให้พวกข้าพระเจ้าด้วยถ้าว่าไม่ส่งไม่ได้รับนะถึงเราจะทําบุญกุศลพอทําเสร็จแล้วก็เหมือนกับเราพับเงินเข้ากระเป๋าเราอย่างนั้นแหละอพอทําเสร็จแล้วเราก็พับเงินเข้ากระเป๋าเราถ้าว่าเราทําเสร็จแล้วเออ บุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทําในวันนี้ขออุทิศกุศลต่อภูมิอุปกรณคุณของข้าในหละบุญกุศลจึงกระจายนะเหมือนกับเราได้เงินมาแล้วก็แล้วก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาที่อยู่ลูกหลานญาติพี่น้อง พ, พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราจะให้กับท่านผู้ใดแล้วก็แบ่งให้แบ่งให้แบ่งให้ลักษณะอย่างนั้นแหละพอเราไปทาํามาค้าขายรวยใช่ไหมละ่ะขายรวยทำอะไรขายที่ดินรวยขายบ้านรวยแล้วว่า ขายที่ไหนรวยมาแล้วเราก็แบ่งให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญ า, าติให้ผู้มีที่รักเคารพเราอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นละ่ะในเมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลอันนี้คือท่านผู้มารับก็คือวิญญาณคือใจนะเราผู้ส่งก็คือใจใจส่งให้ใจท้าว่าเราแมมีชีวิตอยู่เนี่ยปลว่าร่างกายส่งให้ร่างกาย เราได้รับเงินมาแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ว่าร่างกายส่งให้ร่างกายแต่ที่เราทําบุญนั่นคือวิญญาณส่งให้วิญญาณนะเพราะนั้นมันมีทั้งสองอย่างรูปประธรรมและนามธรรม น, นามธรรมคือมองไม่เห็นรูปประธรรมคือร่างกายของพวกเราเนี่ยหลลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญทั้งสองอย่างนะทานสัทธาย่าโยมลูกหลานนะเพราะว่ารูปประธรรมเรามองเห็นนะ แต่นามธรรมจุดนี้นะ่คือพระพุทธเจ้าพระหารแต่สาวกผู้มียานรัตนะผู้ที่ภาวนาจะรู้ได้เห็นได้เพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อในพระธรรมคำสอนเพราะนั้นเราจึงมีการทาบุญอุทิศสวนกุศลในวัดของเราเราก็เลยจัดขึ้นมาปีหนึ่งเลยมีอีกมีวันเดียวเท่านั้นนะ่ะวันมาฆบูชาหลวงพ่อทา ม, มาได้สองสาปีแล้วนะตะกอนก็ เราทำเอาคุณแม่ชีแก้วเป็นหลักนะวันที่วันที่สเจ็ดเจ็ดสิบปดมิถุนานะวันคุณแม่จากนั้นเราก็คิดว่าเมื่อสร้างเจดีย์คุณแม่เสร็จแล้วเราก็เลยยกไปทางที่บ้านห้วยทรายทาบุญที่นู่นหละทางมุกดาหารไปเลยวัดของเราก็เลยไม่ได้ทำหลงพอ่อหลงพ่อก็มีพ่อแม่ มาล้มหายตายจากอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเลยยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นประเด็นแล้วก็ให้ญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนด้วยเมื่อมาสร้างวัดวาศาสานาที่เราได้รับความสะดวกสบายไม่ใช่เงินน้อยทีเดียวที่ได้ลงทุนมาที่นี่เพราะนั้นดวงวิญญาณท่านได้ตกโรคได้ยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเรา เราจะรวมกันทาบุญอุทิศสวนกุศลปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งคือวันมาฆาบูชาทุกปีต่อนนี้ไปนะและก็อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อขอประกาศแจ้งข่าวการที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องเสาเข็มนะเจดีย์องค์หลวงตาเนี่เมื่อวานก็มีสัทายาญาติโยมกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะมีคณะแพทย์คณะหมอคณะศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงคณะสิทธิวัดป่านาคำน้อยค่ว่ า, านั้นนะวันศุกร์ที่3ามกุมภาพันธ์สองพัคณะสิทธิอนุสิทธิวัดป่านาคําน้อยคณะบ้านเทวธรรมในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินพร้อมคณะญาติติธรรมขอน้อมปัจจัยร่วมชีร่วมบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีจํานวน14บสี่ต้น เ, เป็นเงิน 359,520 หหยบาทอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมาจากทางภาคใต้เนี่ยนะคณะคุณสุรศักดิ์จากภาคใต้ร่วมสมทบเสาเข็มเจดีหลวงตาจำนวนหนึ่ง0บาทนะ อันนี้ก็คือเขาโอนเข้าบัญชีของหลวงพ่อสุดใจสุดใจทันตมโนโนะที่ว่าบัญชีเสาเข็มเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีโดยหลวงพ่อสุดใจทันตัมะโนธ น, นาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารจังหวัดอุดรธา น, นีเลขที่บัญชี7จ็ดสอ หกสองเกขีด9ประเภทอมทรัพย์นะอันนี้ทางลูกใครได้ยินแล้วก็โอนเข้าบัญชีของหลวงพ่อสุดใจเลยหรือห้องว่าผู้ใดจะมาถวายกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็รับไม่ปฏิเสธเลยจากนั้นหลวงพ่อก็จะแนะนําเข้าบัญชีของถ้ายังไม่ถึงทุกหลวงพ่อจุตใจหลวงพ่อก็พักไว้ซะก่อนที่บัญชีของหลวงพ่อแต่แต่หลวงพ่อกันนะแต่บัญชีของเจดีเท่านั้นจะไมาให ทะลุทะลวงไปที่อื่นพ่อหลวงพ่อเนี่ยจะตัปัจจัยของหลวงพ่อบัญชีอันไหนต้องบัญชีอันนั้นบัญชีเสาเข็มไอ้บัญชีเจดีก็เจดีบัญชีโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ก็คือเครื่องมือแพทย์นะบัญชีวัดก็คือของวัด น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็ได้เตรียมไว้อย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้คณะรทายาทโยมทุกทุกท่านนะที่มาร่วมถวาย เออ่เเกาสาเข็มคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันนี่พออสุจิตเสาเข็มหนึ่งหนึ่งหมื่นต้นหนึ่งหนึ่งหมืนบาทนะไม่ใช่หนึ่งมืนต้นนะหนึ่งหมืนบาทนะานายสุจิตเอชํานาญลบพออเก่าของเราเนี่ยลูกศิษย์ทัางทีมาถ่ายกล้องถ่ายรูปนี่นะแต่ตามไม่จริงอพ อ, อคงจะเอาสักต้นหนึ่งก็ดีนี่เอา ยังไม่ถึงครึ่งอีกต่างหากนี่นาะต้นหนึ่งมัน 20,000 นะ่ะต้นหนึ่งราคา 25,680 าอบาทหลวงพอว่อถ้าหากว่าเราเอาง่ายๆจะเลย 26,000 นะ่กพ็จบเลยนะถ้ า, าว่าใครจะเอาตามราคา2นะี่0ก็ 25, บาทรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเชื่ว่าพวกแว พวกภาษีพวกค่าตอกลักษณะอย่างนั้นแหละรวมเขารวมใส่นี้ทั้งหมดนะแล้วก็มีผู้มีศรัทธาออกนี่นะคุณพ่อคุณพ่อผงศักดิ์เคือชาเคือชาตนะีแล้วก็สิตำรวจเอกอะไรอันนี้ก็3 0 0พันบาทนะลูกหลานนะเขียนหนังสือไม่ค่อยชัดเจนมันตัวแรกเกินไปหลวงพ่อตาไม่ค่อยดี และก็ถวายเสาเข็มอีกนี่ร้อยตารวจตรีรือชัยเนี่ยนะ อ, อ, อันนี้ก็พร้อมครอบครัวอิทวายอีกหนึ่งมืนบาทนะอันนี้คือเสาเข็มสพนายุงท่านผู้กํากับกับคณะกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจถวายสามหมื่ น, นะสามหมืนบาทเสาเข็มอีกเหมือนกันคณะ อายการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โอนเข้าบัญชีแล้วเนาะนายวุฒิชัยพุ่มสงวนเป็นเงินหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทโอ้อนุมโมธนาเนอท่านอายการกับคณะเนอรให้มีแต่ความสุขกายสุขใจร่ำรวยโชคดี ผู้ใดก็ตามนะทำบุญก็องค์หลวงตาในคราวนี้ครั้งนี้เมื่อทำบุญไปเสร็จไปแล้วนะ่ะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานนะสาธุเนอร์ภูคาเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าทุกยากลำบากจะได้มีให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมอย่าได้พบคนพานอย่าได้พบในสิ่งที่มันไม่ดีในการเกิดมาพบใดชาติใดขอให้เจริญขอให้มีแต่ความ ร่มเย็นผาสุขในการสร้างบุญสร้างกุศลที่ทำเส า, าเข็มสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาแล้วก็บริจุพระปรมสารีิกธาตุด้วยเว็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าได้ทำในคราวนี้ครั้งนี้ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะ่ะในจากญาติโยงจากอำเภอกุมพะวาปีอีกสองพันบาท อันนี้ก็นายสุภารัตน์มาลาเกตสุวันหนึ่งหมื่นบาทอืมเอามีเท่าไหร่หลวงพ่อจะเข้าบัญชีทั้งหมดนะ ล, ลูกหลานนะเดี๋ยวนี้จะตุ ป, ปัจจัยที่ที่ได้มาแล้วนะได้มาวันที่สามนะวันที่สามกุมภาพันธ์หกศูน์เ่เมื่อวานนี่แหละวันที่สามแล้ววันนี้วันที่สนะี่นะนนะนนะเออ เป็นเงินทั้งหมดย2บสอล้านปดแสสอง็ดันเจ็ดสิบบาทส7บเจ็ดสตางค์นะได้แล้วนะเส า, าเข็มได้แล้วนะที่ว่าเสาเข็มทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพสองอห้าสบอดต้นสองหนึ่งหนึ่งพห้าบเอดต้นได้มาแล้วเนี่ยแปดร้อเจ็ดบดต้นยังขาดอยู่ สามร้อยเ็ดสิบสามต้นเนี่ยวันนี้ที่ได้มาก็คงจะเข้าจำนวนนี้ละลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะสามร้อยเจ็ดสิบสามต้ น, นยังขาดอยู่นะออยอดเสาเข็มที่เราที่ที่เราจะหามาเนี่ยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาท น, นี่แหละอันนี้หลวงพ่อแจ้งข่าวให้ คณะตัดทาญาทโยมได้รับรู้รับทราบเป็นระยะระยะเพราะว่าทางธนาคาร18นาฬิกาเนี่ยเขาก็รายงานมาแจ้งให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบวันนั้นหลวงพ่อได้รับรู้รับทราบแล้วก็หลวงพ่อก็จะแจ้งข่าวให้พวกเราคณะศตัดทาญาติโยมเนี่ยได้รับรู้เพราะว่าจัตุปัจจัยเหล่านี้มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของ เจดีย์องหลวงตา เ, เป็นปัจจัยหลวงของหลวงตาทํามันมากได้มากหลวงพ่อก็จะปาดเออเอาใกล้แล้วนะทํามันยางน้อยโยหลวงพ่อก็จะประกาศเออมันยังขาดมากอยู่นะถ้ามันพอแล้วจะทํำยังไงถ้ามันเหลือเหลือก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเจดีของหลวงตาสลาลายพิพิธภัณฑ์ตัวนั้นจะต้องติใช้เงินหลายร้อยล้านนะ ถ้าเราได้เสาเข็มมันเหลือหนะลวงพ่อก็จะประกาศเออจำนวนเงินเสาเข็มในเหลือนะนะบัดนี้พวกเราเนะ่จะน้อมปัจจัยจำนวนนี้เข้าไปสร้างเจดีย์แล้วนะที่นี้นะจะได้เซ็นสัญญาสร้างเจดีย์แล้วนะแต่พราะพอว่าเสาเข็มใช้เวลาสองเดือนครึ่งนะแต่ทางบริษัทเสาเข็มเขาก็ขอ ขอเป็นสี่เดือนได้ไหมเขากำลังต่อรองกันอยู่กลัวจะไม่ทันทางบริษัทของเรานี่ก็อยากจะให้มันได้สามเดือนครึ่งนั่นนะเพราะว่าได้ตกลงกันออแล้วนะถ้เสาทางผู้ผลิตเสาเข็มเร่งสักหน่อยมันก่อไปตามเป้าเท่ า, าเออละเหยก็ยางว่านะใครใครก็อยากจะให้มันใช้เวลายาวออกไปเพื่อไม่ให้มันรัดตัวจนเกินไปใช่ไหมละ่ะ แต่เราผู้จ้างก็อยากจะให้มันตามกฎตามเกณฑ์นี่แหละอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้ส่วนพระเจดีย์สาลาลายพิพิธภัณฑ์ที่เราจะเซ็นสัญญาตัว น, นั้น3ปีนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะใช้3ปีคือ1ิเดือน36เดือนสิสองคือสปี จะให้แล้วเสร็จเจดีย์ขององค์หลวงตาเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าจ้างบริษัทบริษัทคอนเซิลลคอนเซิลล์ลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเป็นบริษัทที่คุมงา น, นจ้างบริษัทคุมงานมาคุมงานเลยให้เป็นหูเป็นตาแทนเราแต่ค่าบริษัทคอนเซิลล์ก็ใช้เงินมากมากเหมือนกันนะทั้ง16ล้านนะลูกหลานนะที่ติดต่อติดต่อมาหลายบริษัท ก็เลยมาคัดเลือกกันก็ได้บริษัทนี่แหละจะตนเห็นเป็นบริษัทที่รับเหมาที่จะดูแลเขาก็มีวิศวกรทั้ง78คนเหมือนกันนะมาเป็นหูเป็นตาแทนพวกเราเนี่ยเราพวกเราก็ได้นะไอ้พวกนี้แหละเฝ้าหน้างานตลอดแผ่แทนหูแทนตาของพวกเราแต่พวกเราก็ต้องว่าจ้างเขานะนี่แหละมันมีหลายขั้นตอนนะลูกหลานนะปัจจัยที่ได้มาเนี่ยนะ สรุปแล้วก็คืออยากจะสร้างพระเจดีลงตาให้ดีที่สุดให้อยู่ได้นานให้อยู่ได้นานเท่านานนะในใจของพวกเราแต่มันจะอยู่นานเท่าไหร่นะั่นก็คือกฎอนิจางทุกขังอนาตาอันนั้นก็เรามองมาเห็นอนาคตนะแต่ในใจของพวกเราที่ลงมือเรื่องว่าผู้ที่ร่วมกันสละทุนท ร, รัพนยะ์เลยอยากจะให้เจดีอยู่นานที่สุดอย่างซอกเข็มเลยทำไมมันแพงลนะ บางคนก็ยังไม่เห็นเสาเข็มโอ้โหทำไมเสาเข็มแพงแต่พอไปเห็นเสาเข็มโอ้โใช่ใช่ราคากระสมควรเพราะมันยาวเหลือเกินตั้ง21่มเอ็ดมตรแล้วก็ความก้างกว้างของเสาเข็มก็บ35าคูณสา35มเซนติเมตรมันก็ใหญ่ยาวออแล้วก็เขาบอกว่าเหล็กอยู่ข้างในจะใช้เหล็กพิเศษที่ว่าใช้เหล็กแข็ง เออมันมีเหล็กมันหลายระดับเหมือนกันนะลูกลานนะเออแต่ไม่ได้ใช้ถึงสเตนเลสจ ก, ตกแต่ว่าใช้เหล็กแข็งแต่ว่าเหล็กข้างในนี่แต่ปูนเนี่ยจะต้องใช้น้ํายาพิเศษผสมปูนแะ ว, ว่าน้ํายาลราฟอสเฟตใหเฮ้ภาษาอังกฤษเขาว่ากั้นใครว่าเหมือนกับเราทําเสาปูนย่างลงไปน้ําทะเลอย่างกั้นเอ๊ะน้ําทะเลเค็มๆมันทําไมไม่กัดเหล็กไนงะ นี่แหละเขามีเขามีสารตัวหนึ่งผนะสมปูนตัวนี้แหละหุ้มเหล็กเอาไว้น้ําทะเลจะไม่เข้าไปหาไปหาเหล็กนี้ก็เหมือนกันนะมันราคามันแพงเพราะนี่มีปูนผสมกับน้ํายาฟัดเฟ็ดนะสาหรับกันไม่ให้น้ําเกลือเข้าไปกัดเหล็กของเรานะเทําไมจึงใส่เพราะว่าเมืองอุดอร เ, เป็นเมืองปอแตนะลูกหลานนะแปลว่าเป็นเมืองเกลือ เรืออยู่ข้างใต้ทุนนะ่ะจะในพื้นดินของแถบนั้นแะแถวเมืองอุดอรเป็นบ่อกเกลือที่วใหญ่นะ่เป็นบ่อกเกลือที่ใหญ่ในพื้นดินเขตพื้นเมืองอุดอรเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ปูนธรรมดาเหล็กธรรมดาลงไปเนี่ย อ, อ, อีกสักวันหนึออ่อเกลือมันจะมากัดเหล็กกระทำให้เหล็กเสียหายเพราะปูนไ อ, อ เจดีมันหนักอยู่ตลอดเวลาเดยมันไปใช่ว่าเราสร้างไป น, น, นานๆแล้วมันจะเบาไม่ใช่นะปนปูนก็หนักอยู่อย่างนั้นนะ่ะท่วงจะตลอด24ชั่วโมงเลยนะจากนั้นอนะถ้าปูนกัดเหล็กเหล็กมันหมดกําลังข้างล่างนะั่นเจดี JD จะทํายังไงมันก็ต้องซุดเร็วเกินไปนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คณะวิศวกรรมวิศวกรสถาปนิกเขาคิดจนพอแรงนะลูกหลานนะ เพราะนั้นบางทีเราก็มองมองไม่เห็นว่าทำไมมันแพงแต่แตามไม่จริงเขาก็คิดสมควรแก่เงินของดีมันก็ต้องราคาแพงเป็นธรรมชาติถ้าของไม่ดีเราจะแพงได้ยังไงฮะแต่บางคนก็เอาของไปดีแต่ว่าตีราคาแพงอันนั้นแปลว่าโกงโกงนะนิสัยไม่ดีนิสัยเป็นบาปใช้ไม่ได้ เราต้องพูดตามเนื้อหาเนื้อผ้ามันดีก็ต้องว่ามันดีถ้ามันไม่ดีแต่ว่าดีได้อย่างไรเนี่เราขอหลวงพ่อขอแจ้งข่าวบอกกล่าวให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาทําด้วยความสบายใจทําด้วยความมั่นใจที่หลวงพ่อยืนอยู่จุดนี้นะหลวงพ่อก็พยายามดูให้เป็นมั่นมไหลไปทำตาม ตามเกณฑ์ตามกฎระเบียบตามศีลตามธรรมนี่แหละที่ท่านอายการจังหวัดที่ท่านมาทำบุญวันนี้เนะี่ยที่ว่า 1,2,770 นยบาทท่านก็ได้ร่วมประชุมเหมือนกันวันนั้นหลวงพ่อได้เข้าประชุมที่สลากลางจังหวัดท่านก็บอกว่ า, วาการสร้างพระเจดีย์ขององหลวงตามหาบัวนี่นะคือมันเป็นเงินวัดวัดต้องเป็นใหญ่ วัดต้องเป็นผู้จา่ายกันท่านว่านะท่านให้ความเห็นหลวงพ่อจังจไม่ลืมนะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคล้ายๆว่าวัดมันต้องวัดต้องซื่อตรงกรรมการของวัดแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะให้คนชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในจุดนี้อีกเหมือนกันเราจะใช้จ่ายยังไงยังจะเป็นศีลเป็นธรรมให้เจดีของหลวงตา เป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่ถึงยังไงก็ฝากท่านอายการ ด, ดูทางกฎหมายให้ให ช, ช่วยดูว่าเอาอยัางไงงานของเ จ, เจดีของลาหลงตาเนี่จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นตามกฎตามระเบียบน ะ, นะถ้าหากว่าพวกเราเจตุปัจจัยของพวกเราเนี่ยไม่ลั่วไม่ไหลนะมันไปตามกฎ พวกเราก็สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อนี่สบายใจนะถ้าหากว่าจะตุบ ป, ปัจจัยถึงจะแพงก็สมควรจะแพงเพราะของดีถ้ามันของถูกถมันแพงอันนั้นเสียความรู้สึกนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกลูกพวกหลานคณะสัตายาธิษฐโยมทุกหมู่ทุกเหล่านี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดท่านพิพากษาท่านพิชิตคําแฝง ท่านก็นยังร่วมสั้งสามต้นท่านโยมเปลวสีเงินโคศกไทยโพส์ ท, ที่ท่านลงหนังสือพิมพ์ท่านก็นร่วมนะท่านก็นเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในการสร้างพระเจดีย์องค์ลงตา่านว่าจะอยู่นานเท่านานเป็นที่กราบไหว้ของมวลมนุษยชาติเป็นมรดกชิ้นหนึ่ง ที่จะเจอที่จะเกิดขึ้นที่เมืองอุดรนะเมันจะอยู่นานเท่านานจะอยู่นานเท่านานที่พระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนะนี่ยนะท่านก็พูดออกมาท่านก็ร่วมสมทบต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งก็อย่างว่าท่านให้สองหมื 26, นะ่หกสอ0นหพแล้วมีสมผู้สมทบกับท่านอีกสองร้อยนะอันนี้ก็เนะลยหลวงพ่อก็ได้รับมาแล้วก็เอาเข้าบัญชีอย่างที่ว่านี่แหละ เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทุกหมู่ทุกเหล่านะคะศรัทนธะาญาติโยมเรื่องเจดียด์ของหลวงต า, าแล้วก็คอยคอยฟังไปเรื่อยๆต่อไปเมื่อตอกเสาเข็มไปเรื่อยเขาก็จะสรรหาผู้รับเหมาอะไรทีในเมื่อผู้ได้ผู้รับเหมาแล้วก็จงมีการเซ็นสัญญากันอีกพอเซ็นสัญญาแล้วกตีและขังปั้งอา้าวสปีทีนี้นะ เ, เขาจะให้เสร็จ เพราะนั้นพวกเราให้รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีไว้นะให้ฉลองเจดี พ, พ, พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาจะก่อนไปร่วมกันฉลองซะก่อนนะได้บุญได้กุศลเก็บเงินใส่กระเป๋าของตัวเองละ่ะต่างคนต่างไปที่ไหใครจะไปสวรรชั้นไหนด้วยบุญด้วยกุศลการถวายทานสร้างพระเจดีขององค์หลวงตาตั้งความปรารถนาไว้เลยนะ ถ้าว่าทําใครไม่ทาไม่ดีมันก็ไปไม่ดีเหมือนกันนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอย่างพระกุณฑพัติยะ เ, เขาจะสร้างเจดีย์ให้สวยให้งามให้ยายพปกเสรษจีทั้งหลายแต่กุณฑพัติญะเนี่ยเป็นคนจดนแต่เป็นพนมีวาทะพูดกล้าพูดกล้าแสดงหมู่ทั้งหลายก็ให้เป็นหัวหน้านพอเป็นหัวหน้าเลยก็เอา พวกหนึ่งจะจะสร้างให้ใหญ่แต่กุณฑภัติยะนี่สร้างให้ใหญ่ทำไมมันนานเสร็จสร้างเล็กๆก็ได้เออนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระองค์เห็นไม่เห็นจะใหญ่น้อยเดียวเพราะนั้นเราสร้างเล็กๆก็ได้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัดสปะใช่ไหมละ่ะผลที่สุดก็พวกลูกน้องทางหลายเลยก็ยื่นมือให้นะเห็นด้วยกับ ท่านกุณฑนะพัทยะเน่ยเอาเล็กๆนั่นแนหะไม่ต้องเอาใหญ่เราสร้างนานเสร็จยานได้กาปไปไหว่ไอ้พวกเราจะอายุไปเยอะยืนนานไปสักเท่าไหร่ลักษณะอย่างงั้นลนะเพรานี่เราก็เลยสร้างพอสร้างขึ้นมาก็ไม่ใหญ่เล็กใช่ไหมเพรลงบติกัรนนะี่ยพราะลงเสียงกันเหมือนกับลงคะแนนกันอย่างนั้นอนะ่ะใครจะเอาใหญ่และใครจะเอาเล็กนะไอ้พวกคนจนมากกว่าคนรวยใช่ไหมละ่ะแล้วก็ได้ได้เล็กนะ พอจ า, จากชาตินั้นมาเนี่ยพระกุณฑะ พ, พัทยะเกิดมาที่ไหนยโอ้มีแต่ตัวเตี้ยตลอดเลยท่านเนีเ่เพียงเอวขอเนี่ยมาในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ก็เป็นพระมหาเถระนะเป็นผู้เสียงไพเราะนะแต่ว่าตัวเตี้ยพระสงฆ์ทั้งหลายถามกราบทูลถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้า ว, ว่าน่นะบาปกรรมหรือกว่ากรรมกรรมเก่ากรรมเก่าให้ผล ท่านเป็นหัวหน้าสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสปะในคราวนั้นท่านเป็นผู้ออกเสียงให้สร้างเล็กท่านก็เลยได้ใช้กรมตัวเล็กมาตลอดตั้งแต่ชาตินั้นมาแต่พวกตัวเล็กๆ ก, ก็คงจะไหวเหมือนก็ดีเหมือนกันนะเวลาตัดเสื้อผ้าก็ตัดปืนเล็กๆมันได้เปลืองผ้าอีกต่างหากใช่ไหมแต่มันเสียเปรียบกว่าถงที่ลอยน้าเลย แต่เขาเดินเขายังเดินถวงทวงไปเนียตัวเองท่วมปากแล้วงั้นเลยต้องได้ลอยต้องได้ว่ายน้นะําลยแต่ถึงยังไงหลวงพ่อไม่เอานะไม่เอารตัวเล็กคนในยุคใดสมัยใดมาตรฐานยังไงหลวงพ่อก็จะเอาอย่างนั้นนะพวกเราก็คงจะคิดอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราให้ช่วยๆกันเนาะสร้างัระเจดนะีตั้งความปรารถนาคอยมีความสุขกายสุขใจ แล้วก็ขอให้เดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกองค์หลวงตาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างไรก็ขอให้พวกเราพวกข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกสําเร็จทุกประการด้วยเถนะินในใจของเรานะาให้ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นนะ อ, อย่าไปปรารถนาเอาเพียงแต่ ล่ำรวยสวยงามที่เจยๆนะ่มันต่ำเกินไปนะปาธนามักผลที่ผ่านนะให้ถึงมักผลที่ผ่านนะเลิดประเสริฐกว่านะลูกหลานน ะ, ะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรณฑนะีนอ้อ